พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันอยู่นี้เป็นพระธรรมคำสอนที่ตรงกับความเป็นจริงคือเป็นสวากขาโตภะกวะตาธรรมโม สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนนั้นสิ่งนั้นเป็นความจริงเช่นทรงแสดงว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกขนะ์การพัดพรากจากกันเป็นทุกข์การพบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเป็นทุกข์ ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาทั้งสได้แก่กามตัณหาความอยากในกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และวิภวะตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นี่คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นความจริงและนิโรธคือการดับของทุกข์ในระดับต่างๆ ก็คือมรสีพ้นสีนิพานหนึ่งก็เป็นความจริงและวิธีที่จะดับความทุกข์ก็คือมร ก, ก็มีอยู่เป็นความจริงมร ก, ก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญา ความจริงเหล่านี้เป็นความจริงที่เป็นสันติโกสันติโกแปลว่าผู้ปฏิบัติจะเพ่งรู้ได้ด้วยตนเองถ้าใครปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำทานรักษาศีลบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนาผลก็คือการบรรลุอริยผลสี่ขั้นคือโสดาปติผลสกิดาคามีผลอนาคามีผลและอารัตตะผลก็จะเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังได้ผู้ใดยอยากจะสัมผัสกับผลคือมรรคผลนิพพานจำเป็นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน ปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มร้อยเต็มที่ถ้าเป็นนักเรียนก็ไม่ขาดเรียนไม่ขาดการบ้านส่งการบ้านทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ทำและสอบทุกครั้งก็สอบได้ที่หนึ่ง เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีเวลาใดที่ไม่ปฏิบัติไม่ว่ากำลังทําภารกิจการงานอะไรก็ตามก็ปฏิบัติควบคู่กับการกระทาการงานเหล่านั้นการเจริญสตินี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว เจริญสติควบคู่ไปกับภารกิจการงานต่างๆควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันเสมอไม่ปล่อยให้ใจไปอดีตไปอนาคตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้จดจ่ออยู่กับภารกิจการงานหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาหรือกำหนดจิตให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธ ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจไม่ปล่อยให้จิตคิดเรื่อยเปื่อยคิดเพ้อเจ้อคิดไปแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ถ้าจำเป็นจะต้องคิดก็คิดเฉพาะกิจที่จำเป็นจะต้องคิดเท่านั้นหรือถ้าจะคิดก็คิดเพื่อให้เกิดปัญญาก็คิดว่าสิ่งที่ตนเองกำลังคิดอยู่นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของเป็นอนิจจังทั้งนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้ ไม่เปลี่ยนแปลงอยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเป็นไปตามความต้องการของเราตลอดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือสุปฏิปันโนให้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติตลอดเวลาในทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับ จะปฏิบัติด้วยการจเจริญสติก็ได้จะปฏิบัติด้วยการนั่งตะนั่งหลับตาทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็ได้จะเดินจงกรมหรือจะทำอะไรอยู่แล้วพิจารณาสิ่งที่ทำว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติถ้ามีการปฏิบัติดียง คือปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับผลยิ่อมปรากฏขึ้นมาได้อย่างแน่นอนสุปฏิปันโนแล้วก็ยายะปฏิปันโนปฏิบัติอุจุปฏิปันโนปฏิบัติตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติอย่างนั้น สอนให้ทำทานก็ทำทานสอนให้รักษาศีลก็รักษาศีลสอนให้ปีกวิเวกก็ปีกวิเวกสอนให้ไม่คลุกคลีกับใครไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ก็กระทำอย่างนั้นสอนให้มักน้อยสันโดษก็ทำอย่างนั้นสอนให้มีความเพียรพยายามอยู่ทุกเอเรียบท ก็ทำตามที่พุทธเจ้าสอนสอนให้เจริญศีลก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์สอนให้นั่งสมาธิก็นั่งให้มากๆสอนให้เจริญปัญญาก็กระทำสอนให้หลุดพน้นก็หลุดพ้นตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่เรียกว่าปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า อูชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนคือปฏิบัติเพื่อดับกิเลสเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลาบยศสรรเสริญไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาหน้าเอาตาเอารังวี่เอารางวันปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะได้อิทธิปาฏิหารต่างๆ ได้อภิญญาได้ความรู้ความสามารถพิเศษออกเหินเดินอากาศนำดินได้ไปนรกไปสวรรค์ได้พบกับกายทิพย์ต่างๆเห็นนดินะลึกชาติได้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเหล่านี้เพราะคุณธรรมเหล่านี้ ไม่ได้เป็นมักนั่นเองไม่ได้เป็นทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ทางที่จะไปสู่การดับทุกข์ก็คืออัปปนาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในความสงบในความว่างสักแต่ว่ารู้มีอุเบกขาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจดูแลรักษาจิตใจ ไม่ให้วุ่นวายไปกับความโลภความโกรธความหลงไม่ให้วุ่นวายไปกับอคติทั้งสี่คือรักชังกลัวหลงแล้วก็ปฏิบัติเพื่อละตันหาความอยากต่างๆโดยการพิจารณาสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นอาสุภะเป็นอาหาเลยปฏิกูละสัญญานี่คือการปฏิบัติเพื่อการละตัณหาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปสามีจิตปฏิปนโนคือการปฏิบัติที่ชอบนั่นเองคือถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตัติเรียกว่าเป็นเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติจะเพิ่งรู้ได้ด้วยตนเอง ต้องรู้ได้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอปฏิบัติอย่างถูกต้องตามความเป็นตามเหตุตามผลแล้วก็การปฏิบัตินี้สามารถปฏิบัติได้ในทุกยุคทุกสมัยเพราะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกเอ คือไม่เสื่อมไม่หมดสปไม่หมดประสิทธิภาพไปกับการเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆเช่นข้าวของต่างๆที่เราซื้อมานี้มักจะติดฉลากมากำกับบอกวันว่าควรบริโภคก่อนวันที่เท่านั้นเท่านี้ ถ้าบริโภคหลังจากวันนั้นแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์นอกจากไม่ได้รับประโยชน์แล้วอาจจะรับโทษได้เพราะของนั้นได้เสื่อมคุณภาพไปแล้วเช่นกับข้องกับข้าวนี้ก็บูดรหรือเสียแล้วถ้ารับประทานกับข้าวที่บูดที่เสีย ก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ติดฉลากไว้ว่าอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมสามารถบริโภคได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในปีไหนสมัยไหนจะอยู่ในสมัยพุทธกาลก็บริโภคพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ยังอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็สามารถบริโภคพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้และได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันกับในสมัยพระพุทธกาลฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือฟังธรรมจากพระสาวกหรือจากพระธรรมคําสอนให้ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ ในหนังสือหนังหาในพระไตรปิฎกก็ถือว่าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่าพระธรรมคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปหลังจากที่เราได้จากพวกเธอไปแล้วพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะจากใครก็ตามถือว่าเป็นคำสอนถือว่าได้ฟังจากพระพุทธเจ้าถ้าคำสอนนั้นตรงต่อคำพูดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพูดเอาไว้ผู้ฟังสามารถน้อมนําเอาไปปฏิบัติและได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันจึงไม่ต้องลังเลสงสัยว่าการปฏิบัตินี้ จะนำมาซึ่งมรรคผลนิพพานอย่างที่ในสมัยพระพุทธการได้หรือไม่ได้แน่นอนเพราะอากาลิโกนี่เองคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ไม่เสื่อมไปกับตามการเวลายังเป็นยังไงในสมัยพระพุทธการก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ในสมัยปัจจุบัน ให้ผลกับผู้ปฏิบัติอย่างไรก็จะให้ผลกับผู้ปฏิบัติอย่างนั้นในสมัยนี้อย่างแน่นอนจึงไม่ต้องกังวลไม่ต้องรังเลยสงสัยขอให้ทุ่มชีวิตจิตใ จ, จให้กับการปฏิบัติธรรมเถิดธรรมที่ทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือมรรคนี้เองมรรคต้องเจริญให้มากเจริญให้สมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ทำนิโรธให้แจ้งนิโรธก็คือการดับความทุกข์ในขั้นต่างๆขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิดาคามีขั้นของพระอนาคามีและขั้นของพระอรหันต์ดับความทุกข์เป็นขั้นๆไปขั้นที่หนึ่งก็ได้เป็นพระโสดาบันขั้นที่สองก็ได้เป็นพระสกิดาคามีขั้นที่สามก็ได้เป็นพระอนาคามี ขันที่4ก็ได้เป็นพระอาหารหันต์และได้พระนิพพานคือความดับทุกรอยเป์เเวลาทุกดับร0 0จิตก็ได้พระนิพพานถ้ายังดับไม่ร้อยเก็ยังไม่ได้พระนิพพานได้เพียงแต่ขั้นของพระอาาริยเจ้าขั้นต่างๆนี้เท่านั้นอยู่ที่การปฏิบัติจเจริญมาก คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็สําหรับผู้ที่สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะทําทานอีกแล้วเช่นบรรดานักบวช ท, ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญาไปสําหรับผู้ครองเรือนสําหรับผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ก็ส่งสอนให้ทำทานสละทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆไปให้หมดแล้วก็บำเพ็ญศีลกับภาวนาภาวนาก็คือส ม, มถะภาวนาก็เป็นการเจริญสมาธินี้เองวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญานี้เองเหมือนกัน การปฏิบัติของคาลวาดเกยวของนักบวชนี่เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าคารวาดยังมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอยู่ต้องสละทรัพสมบัติข้าของเงินทองไปไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพสมบัติไม่ไปหาไม่ไปใช้ทรัพสมบัติถ้าไปหาแล้วไปใช้ทรัพสมบัติก็จะไม่มีเวลาที่จะมา บำเพ็ญมารักษาศีลมาบำเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองสำหรับนักบวชนี้ได้สละทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วไม่หาทรัพย์ไม่ใช้ทรัพย์แล้วก็เลยไม่ต้องทำทานอีกต่อไปให้รักษาศีลให้เจริญสมาธิและปัญญานี่คือมรรคที่ต้องเจริญให้มากเพราะถ้าเจริญให้มากแล้วจะไป ละตันหาต่างๆได้ละกามตันหาละภวะตันหาละวิภวะตันหาได้สมุทัยคือตันหานี้ต้องละถ้าละแล้วก็นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาการดัดของความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาปัญหาอยู่ที่ตันหาความอยากนี้เองและเครื่องมือที่จะมาแก้ปัญ ปัญหาคือตัณหานี้ก็คือมรรคมรรคก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาอย่าใช้เงินไปซื้ออะไรต่างๆตามความอยากอย่าใช้เงินไปทําตามความอยากเพราะจะทําให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไม่ได้ให้มีความทุกข์ลดน้อยลง พอจะทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องยุติการใช้เงินใช้ทองซื้อของตามความอยากหรือใช้เงินทำตามความอยากต่างๆคนที่มีเงินเหลือใช้จึงจำเป็นต้องเอาไปทำบุญให้หมดครับ เก็บไว้ถ้ายังต้องอยู่เป็นฆราวาสก็เก็บไว้สําหรับเลี้ยงดูปากท้องเก็บไว้เพื่อปัจจัยสีเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการใช้เงินหาเงินจะได้มีเวลามารักษาศีลให้บริสุทธิ์มีเวลาที่จะมาบําเพ็ญได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีการบําเพ็ญ อย่างเต็มที่ก็เรียกว่ามีการเจริญมรรคอย่างสมบูรณ์เมื่อมีการเจริญมรรคอย่างสมบูรณ์นิโรธก็จะต้องเกิดการดับของความทุกข์ต่างๆก็จะต้องเกิดเพราะการละตัณหาต่างๆก็เกิดจากการเจริญมรรคนี้เองเวลามารักษาศีลแปนี่ก็ละตัณหาคือการละตัณหาไปไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกัน ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารด้วยความอยากรับประทานอาหารเพื่ออยู่เพื่อปากท้องเท่านั้นแต่ไม่รับประทานเพื่อความอยากไม่หาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายจากพวกมหัศลศพบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายไม่หาความสุขจากการนอนหลับหลับนอน ถ้าจะหลับจะนอนก็หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายการนอนหลับพักผ่อนเพื่อร่างกายก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆจะได้ไม่นอนมากพอร่างกายได้พักพอแล้วก็จะตื่นตื่นแล้วก็จะลุกขึ้นมาเพราะจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเหมือนกับนอนบนพูกหนาๆ น, น, น, นอนบนเตียงใหญ่ นี่ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อละตันหากามตันหาแล้วแล้วการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดฟรุงแต่งต่างๆก็เรียกว่าเป็นการหยุดตันหาคือทั้งสามเลยคือการมตันหาภวะตันหาและวิภาวะตันหาเวลาจิตสงบนี้ตันหาทั้งสามนี้ก็จะหยุดทางาน แต่ท่านเป็นความสงบด้วยสติด้วยสมาธิก็จะหยุดเพียงชั่วคราวชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาพอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งตันหาทั้งสามนี้ก็ยังโผล่ขึ้นมาได้ถ้าอยากจะทำลายให้มันแบบราบคามโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจอยากเช่นรูปเสียงกลิ่นรสกามะตัะหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตันหาก็คืออยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนสรรเสริญยึกย่องเ ย, ยินยอก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็น อันนี้จังไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาส่วนวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่ให้ราบยศสา ร, เ ส, รเสื่อมความอยากไม่ให้รูปเสียงกลิ่นลดเสื่อมเนี่อันนี้ก็เป็นวิภาวะตัณหาก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตา มันเป็นอนิจจามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นอนัตตาเวลามันเสื่อมก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้มันเสื่อมก็ต้องเสื่อมถ้าอยากไม่ให้มันเสื่อมก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันเสื่อมไปถ้ามีสมาธิมีความสงบมีความสุขจากความสงบจะไม่เดือดร้อนจะปล่อยได้ะ ถ้าไม่มีสมาธิก็จะปล่อยไม่ได้ถึงแม้รู้ว่ามันต้องเสือ่อมมันต้องจากเราไปก็ยังพยายามเหนี่ยวรั้งมันอยู่อย่างนั้นยิ่งพยายามเหนี่ยวรั้งมันเท่าไหร่ยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานใจมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้ามีสมาธิรู้ว่าปล่อยแล้วไม่เดือดร้อนเพราะมีสมาธิมีความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่ น่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ปล่อยไปก็จะปล่อยได้อย่างง่ายดายการปฏิบัติพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เป็นเป็นขั้นเป็นตอนให้เจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิก่อนเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาเพื่อปล่อยความสุขที่เลวความสุขที่ด้อยกว่าความสุขทั้งปวงนี้เป็นความสุขที่ด้อยกว่าเลวกว่า ความสุขที่เกิดจากความสงบนะแต่ต้องมีความสงบก่อนถึงจะสามารถปล่อยความสุขที่เลวที่ด้อยกว่าได้ถ้ายังไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ยังกอดยังยึดยังติดอยู่กับความสุขที่อยากที่เลวนี่อยู่เพราะว่ามันดีกว่าไม่มีอะไรเหมือนคนที่คำพูดคำค่อนข้างที่จะไม่สุภาพที่เขาพูดว่า ่รรำขี้ดีกว่ากรรมตดอันนี้ก็ลักษณะแบบเดียวกันถ้ายังไม่มีความสุขทางใจนี้กรรมขี้ไว้ก่อนก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยอยู่คนเดียวมันเหงาอยู่กับแฟนถึงแม้ว่ามันจะทุกข์มันก็ยังมีความสุขอยู่บ้างจะทุกข์ก็ตอนที่ทะเลาะกันหรือตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่านั้นเอง แต่ตอนที่รักกันชอบกันนี้มันก็เป็นความสุขแต่มันก็เป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปเพราะว่าร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันไปหรืออาจจะต้องไปอยู่ต่างที่กันก็ได้หรืออาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็ปล่อยไม่ลง ยอมทนกับความทุกข์ที่เกิดจากการพัดภ่าจากกาันยอมทนกับความทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะกันเพราะว่ามันยังสามารถหาความสุขจากกันและกันได้อยู่แต่ถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี่จะทิ้งเลยกามไปทำไมขี้มีของที่ดีกว่ามีขนมอรอร่อย กินขนมดีกว่าไปกินขี้พูดแต่ถ้ายังไม่มีขนมก็ต้องกินขี้ไปก่อนพวกที่ยังติดกามตันหาอยู่นี่เป็นพวกกินขี้ทั้งนั้นเพราะว่ายังไม่มีขนมคือสมาธิความสุขที่เกิดจากความสงบเลยพวกที่มีขนมแล้วนี่เขาทิ้งกันหมดเขาไม่กินกันหรอกเขาไม่มาเสพกามกันให้เสียเวลาะ พระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้านี่ท่านกลับมามีลูกมีเมียกันหรือเปล่ากลับมามีสามีกันหรือเปล่ากลับมาเที่ยวตามบาตามผับกันหรือเปล่าท่านไม่มาเที่ยวไม่หาความสุขแบบนี้แล้วเพราะท่านได้พบกับความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ได้จากสมาธิความสุขที่ได้จากการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง แล้วก็สมาธินี้ต้องเป็นสมาธิที่ว่างที่เย็นที่สงบที่สักแต่ว่ารู้อย่าไปอย่าไปเอาสมาธิที่เห็นนิมิตต่างๆนิมิตต่างๆนี่ก็มีทั้งดีแล้วมีทั้งไม่ดีเห็นนิมิต ด, ดีก็มีความสุขเหมือนกับเห็นภาพสวยๆงามๆแต่พอไปเห็นนิมิตที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ ผู้ที่นั่งสมาธิต้องระมัดระวังให้มีสติประครับประคองใจอยู่ตลอดเวลาอย่าเผลอสติเวลาที่เผลอสตินี่เป็นเวลาที่จิตจะมักไปเจอนิมิตต่างๆได้จึงต้องระมัดระวังถ้าเจอก็ต้องเรียบรีบเรียกสติกับคืนมาทันทีใช้พุทโธหรือใช้อะไรดึงใจกลับเข้ามาสู่ความว่างสู่ความสงบอย่าปล่อยให้ไหลไปตามนิมิตต่างๆ ซิ่งที่ไหลไปก็เพราะว่ามักจะไปเจอนิมิตที่ดีก่อนนะพอเห็นนิมิตที่ดีก็มีความเพลิดเพลินดีแต่พอไปเจอนิมิตที่ไม่ดีนี้จะไม่รู้จักวิธีหนีจากมันนะอเพราะว่าไปติดมันเข้าแล้วเหมือนคนไปติดยาเสพติดดังนั้นอย่าไปติดมันเวลามีนิมิตดีก็อย่าไปยุ่งกับมัน ดึงใจกลับเข้ามาสู่ความสงบให้ได้ใช้สติดึงกลับมาใช้บริกรรมพุทโธดึงกลับมาใช้การดูลมหายใจดึงกันดึงมันกลับมาให้มันเข้าไปสู่ความว่างเข้าไปสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขาแล้วมันจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าได้ความสุขแบบนี้แล้วพอออกมาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาว่า เช่นอาหารเนี่ยอาหารที่เราอยากรับประทานกันเนี่ยพิจณามันได้เลยว่ามันเป็นอุจจาระเนี่ยอาหารเลยปฏิกูลลสัญญาอุจจาระนี่มันมาจากอะไรถ้ามันไม่มาจากอาหารที่เรารับประทานกันเข้าไปเวลามันอยู่ในจานนี่มันก็น่าดูแต่พอมันเข้าไปในปากเข้าไปในท้องหรือถ่ายออกมาแล้วนี่มันน่าดูไหมมันก็อาหารอันเดียวกันนี่แหละ อันนี้เป็นวิธีแก้ความอยากในอาหารผู้ภาวนานี้ต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารถ้ารับประทานมากเกินไปจะง่วงนอนแล้วจะไม่สามารถภาวนาได้จะอยากนอนอย่างเดียวกินอิ่มแล้วก็อยากนอนหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนแทนที่จะไปภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมก็จะไม่สามารถทำได้ผู้บำเพ็ญจึงต้อง ลดการรับประทานอาหารลงให้พอประมาณให้รับประทานพออยู่ได้แต่ไม่มากจนถึงให้กลับเกิดความง่วงเหงาหาวนอนแต่ความอยากนี้มันมีมากอยากรับประทานอาหารนี้มากถ้าไม่มีการใช้อาหารเลยปฏิกูลละสัญญามาแก้นี้จะแก้ไม่ได้จะอดจะทนไม่ได้จะต้องรับประทานจะไม่สามารถรักษาสิ้นแปดได้หรือไม่สามารถ รับประทานมื้อเดียวหรืออดอาหารได้เพราะว่าบางทีลดรับประทานอาหารมื้อเดียวก็ยังมากเกินไปยังทำให้เกิดความง่วงนอนทำให้เกิดความเกลียดค้านได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องลดต้องอดอาหารไปเลยไม่ต้องไปรับประทานอาหารมันเวลามันหิวมันคิดถึงอาหารก็ให้คิดถึงอาหารที่กลายเป็น อ, อุจจาระไปแล้ว หลือกลายเป็นอาเจียนไปแล้วเวลามันเข้าไปในปากในท้องนี่เวลาอาเจียนออกมานี่ยังอยากจะรับประทานอยู่หรือเปล่าท้องก็ท้องอันเดียวกันของเรานี่มันก็ออกมาจากท้องเราพอมันออกมาแล้วเราเอากลับเข้าไปไม่ได้เลยมันก็ไม่มีเสียหายตรงไหนแต่ใจมันเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่อยากกินดานี่คือเรื่องของความอยากแต่ถ้าเรื่องของความจาเป็นของร่างกาย ถ้ามันอเตียนออกมาก็เอาตักมันกลับเข้าไปในร่างกายใหม่ก็ได้เพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อใจไม่ได้กินเพื่อความอยากอันนี้ก็คือวิธีใช้ปัญญาเพื่อที่จะได้ต่อสู้ทำลายความอยากต่างๆถ้าอยากในอาหารก็ต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกรลสัญญาถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องพิจารณาอาสุภะ ต้องคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของเขาอย่าไปคิดแต่ส่วนที่สวยงามส่วนที่สวยงามของเขาก็มีส่วนที่ไม่สวยงามของเขาก็มีลองหาดูว่าส่วนที่ไม่สวยงามของเขามีอะไรบ้างถ้าดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังได้ก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามต่างๆเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆเช่นตับไต ลำไส้กระเพาะหัวใจปอดนีอาการเหล่านี้มันไม่น่าดูไม่น่าชมหรือจะดูตอนที่เขาแก่แล้วก็ได้ดูตอนที่เขาตายแล้วก็ได้ให้ดูอย่างนี้เรียกว่าดูอสุภะถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามการที่อยากจะมีการอารมณ์นี้ก็จะดับไปอันนี้เป็นปัญญาที่จะมาดับ ตันหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นตันหาชนิดใดนี้ปัญญาสามารถทำลายได้หมดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็พิจารณาว่ามันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจเวลาหมดไปก็จะเสียใจอยากได้ความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆมันก็เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเอง เดี๋ยวมันก็หมดไปไปเที่ยวกลับมาเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปสิ่งที่จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ก็คือความอยากไปเที่ยวใหมก่ก็ต้องเ ท, เที่ยวไปอยู่เรื่อยๆเที่ยวไปจนไม่สามารถที่จะเที่ยวได้เช่นเงินทองไม่พอใช้หรือร่างกายไม่มีความสามารถที่จะไปเที่ยวได้เวลานั้นการจะหาความสุข จากการเที่ยวก็จะไม่สามารถทําได้เมื่ออยากเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาให้พิจารณาให้เห็นความทุกขจากการที่เราไปทําตามความอยากต่างๆถ้าเห็นแล้วเราก็จะได้ฝืนไม่ไปทํามันพอเราฝืนความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกําลังลงไปแล้วมันก็จะหมดไปในที่สุดน แต่มันจะอ่อนได้จะหมดได้ก็ต้องใช้ปัญญานี้ต่อสู้กับมันทุกครั้งที่เกิดความอยากพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นของชั่วคราวเป็นอนัตตา ม, มันไม่อยู่กับเราไปตลอด เ, อเวลามันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปด้วยแล้วพออยากจะได้มันขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจ หรืออยากให้มันอยู่อยากให้มันไม่หมดก็จะเกิดความทุกข์ใจความทุกข์ใจของเราส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่อยากจะให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่จากเราไปไม่หมดจากเราเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองลาบยศจัลลเสรินนี่เราทุกข์กันกังวลกันกลัวว่ามันจะหมดกลั ว, วมันจะไม่พอใช้กันเพราะถ้ามันหมดหรือไม่พอใช้ ความสุขที่ได้จากมันก็จะหายไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่แต่มันยังไม่ทันหมดเลยก็ทุกแทะทุกขึ้นไปก่อนแล้วทุกเพราะกังวลทุกเพราะวิตกนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นที่เกิดจากความอยากต่างๆอยากไม่ให้มันเสื่อมก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากให้เป็นของเราไปตลอดมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมา ต้องปล่อยวางต้องพิจารณาแล้วอย่าไปอยากถ้ามีก็ปล่อยมันมีไปมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปถ้าลำคาญก็ยกให้คนอื่นไปเลยอยู่คนเดียวดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าคนที่ไปบวชกันก็เพราะเห็นความทุกข์กับที่เกิดกับสิ่งต่างๆนั่นเองมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นถ้าไม่มีก็จะไม่มีความทุกข์ มีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองความทุกข์นี้เกิดจากการมีสิ่งต่างๆนี้เองถ้าไม่มีสิ่งต่างๆก็จะไม่มีความทุกข์เช่นแม้แต่ร่างกายนี้ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายถ้ามีร่างกายก็ยังต้องทุกข์กับร่างกายอยู่ เพราะว่ร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปคนชะลาดจึงไม่กลับมาเกิดกันเพราะรู้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นดาบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ดาบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่และการจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องละตัณหาทั้งสามนี้ให้ได้คือกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหา และสิ่งที่จะมาทําให้เราละตัณหาเหล่านี้ได้ก็คือมรรคนี้เองคือทานศีลภาวนาเอาเงินทองที่จะไปซื้อตามซื้อไปทําอะไรตามความอยากนี้เอาไปทําบุญดีกว่าถ้าไม่ไปทําบุญก็เก็บไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทองไว้ดูแลรักษาร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายมาปฏิบัติธรรมมาเจริญมรรคกันนี่คือหน้าที่ของเงินทอง ไม่ใช่มีเงินทองไว้ไปซื้อตามความอยากต่างๆอยากดูก็ซื้อมาดูอยากฟังก็ซื้อมาฟังถ้าทำอย่างนี้แล้วจะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเหมือนคนที่เอาเงินไปซื้อยาเสพติดเวลาเสพยาเสพติดก็มีความสุขพอนิดของยาหมดไปก็ความทุกข์ก็กลับมาก็ต้องเสพใหม่ก็ต้องเสียเงิน ใสไปได้เรื่อยเดี๋ยวเงินก็หมดเพราะคนเสพยานี้จะไม่ไปทํางานทําการไม่ไปหากินจะเอาเวลามาเสพยาเพียงอย่างเดียวพอเงินหมดก็เดือดร้อนไปทําบาปไปโกหกหลอกลวงไปรักทรัพย์และในที่สุดก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางนี่คือผลที่เกิดจากการทําตามความอยากต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการทําตามความอยาก แล้วก็ต้องมีสมาธิมีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นที่ที่ลองรับเวลาที่ไม่ได้ทำตามความอยากเวลาไม่ได้ทำตามความอยากจะไม่ทุกข์เลยถ้ามีความสงบจากสมาธิถ้ามีไม่พอก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่กลับไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็มีความสุขสุขมากกว่าการได้ไปทำตามความอยากต่าง ต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะได้นิโรธคือการดับทุกข์ได้เป็นขั้นขั้นไปขั้นพระโสดาขั้นพระสกิดาคาขั้นคาอนาคาแล้วไปได้ขั้นของพระอาหารหันต์ก็จะได้การดับทุกข์เต็มร้อยพอได้ความดับทุกข์เต็มร้อยไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแล้ว เหลืออยู่แต่ปรมังสุขขังก็เป็นพระนิพานไปนี่คือการผลที่จะได้รับจากการเจริญมรรคผลที่เกิดจากการที่เราเชื่อว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นเชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นผู้ที่เห็นได้ด้วยตนเองเชื่อว่า พอทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดไปตามการตามเวลาสมัยพระพุทธการปฏิบัติอย่างไรได้ผลอย่างไรสมัยปัจจุบันนี้ถ้าปฏิบัติก็จะได้ผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เพื่อละตัณหา ผลก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็ต้องเป็นผลที่จะตามมาต่อไปเพราะมันเป็นอากาลิโกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเหตุเป็นอย่างไรผลก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอถ้ามีเหตุคือมีทานศีลภาวนาหรือมีศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน จึงขอให้พวกเรามีความมั่นใจมีความแน่วแน่ต่อาการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนนี้เอามาปฏิบัติเพื่อเราจะได้ <c oughs> หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจะได้พบกับบรมมาสุ คือนิบานังปรมังสุขขังเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันได้มีไว้เป็นสมบัติครอบครองไปตลอดอนันตการการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปิริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอ e ิจิตังปฏิตังตุมหังคิปปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกภาจันทูปนาระโสยะถามณิโชติ อาระโสยทาสภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายยโกภวะอะพิวาธนาสีฤทสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมาวาทานติอายุวโนสุขัง ลช่วงต่อไปนี้ก็จะถามตอบปัญหาธรรมใครอยากจะถามปัญหาธรรมก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ถามได้เพราะว่าหลังจากที่เลิกหลังจากที่ปิดประชุมแล้วก็จะไม่ถามกันไม่ตอบกัน อ, อีกเหมือนกันเอาเลย ก่อนนังเหมือนกันอยู่ใครอยู่ใกล้ก็เอาก่อนเลยเต้องพูดใกล้ๆจะได้ยิน เ, เ, เขาไม่เห็นหน้าเราหรอกมีแต่เสียงเขาไม่รู้ว่าเป็นใครหร อ, อาพูดไปแล้วคนอื่นเขาไม่ได้เดิมเหมาเราหรอกฮัลโหลฮัลโหล พูดใกล้ๆปากหน่อยเรื่องที่หนูมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังวันก่อนนะคะเรื่องที่หนูฝันนะที่ว่ามาที่บ้านทั้งชุดเลยอะ่ะมาที่ว่าเออคนนี้เป็นเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่พระอาจารย์หนูไปวัดแล้วพระอาจารย์ถามว่ามีใครมาหาอีกไหมตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครมาที่ที่พระอาจารย์ถาม น, นะคะแล้วอันนี้ก็เมื่อวันที่ห้าเนี่ยตอนเช้าหนูก็ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวเสร็จะว่า แปดโมงแปโมงครึ่งอะหนูก็หลับไปพอยหลับไปเขินเนี่ย <c oughs> ทีนี้ก็นั่นแหละมาชุดเดิมมาอีกหนูไม่ได้นอนฟังธรรมนะหนูหนูก็เชื่อตามพระที่อาจารย์บอกัแหละเพราะว่ามันสลุมสลือก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากฟังธรรมใช่ไหมคะก็พอยหลับไปผู้หญิงชุดเดิมมาอีกแต่แต่คราวเนี้ยเขาใส่ชุดผ้าไหมไทยผ้าสิ้นโบราณโบราณอะคะ่ะอย่างั้นอะ มาผ่าหนูไปหนูก็ไปหนูไม่กลัวนะคราวนี้หนูไปจิตเต็มร้อยเลยไปกับเขาอะไม่กลัวก็ไปเดินเดินเดินไปหนูก็บอกว่าอย่าทําอะไรหนูนะหนูก็บอกเนี้ยหนูไม่ว้วัเหมือนก่อนละก่อนหนูที่เราให้พระอาจารย์ฟังหนูว้วัหนูกลัวอย่าพาหนูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่หนูก็ไปพอออกจากหน้าประตูบ้านไปอ่ะนะสถานที่มันก็เปลี่ยนไปเลยอ่ะมันเปลี่ยนไปเหมือนเหมือนอีก เหมือนกับมีทุง่งหญ้ามีมีร่องสวนมีคูน้ําอะมีถนนมีทางเล็กๆ เ, เดินอะ่ะเหมือนเหมือนบ้านสมัยก่อนนะคะ่ะอาจาย์อย่างนั้นนหะเขาก็พาหนูไปหนูก็บอกว่าอย่าทำอะไรหนูนะหนูจะ อ, อุทิศส่วนบริส่วนกริสุทธมาให้หนูก็พูดไปเรื่อยอะนะพูดคํานี้ไปเรื่อยไปเรื่อยอะ่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องหรอกค่ะหนูเขาอยู่สบายดีแล้วก็เขาก็พาหนูเดินวนไปเวียนมาเวียนไป หนูก็ว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ก็พาหนูวินอวนไปเวียนมาแต่ก็หนูก็เห็นคุณเยอะมากเลยแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยก็เดินไปก็ไปเจอผู้หญิงคนที่ว่าเจ้าของบ้านอะ่ะที่เขาชี้ให้ดูว่าเนี่ยรูปรอะ่ะหนูจําได้พราเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้ว ก, ก็ทักหนูเลยนะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ผู้หญิงคนที่พาหนูไปก็บอกว่าใช่แต่อย่าทําอะไรเขานะ เขามาเช่าบ้านอยู่ <_ d isc ount> เขาบอกอย่างเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าเออพี่คะหนูก็พูดกับเข า, ขาพราๆ อ, อย่างเงี้ยมันมีเรื่องอะไรกันเหรอแบบแบบไหนเล่าหนูฟังซิหนูก็ถามเขาว่านะในเรื่องเหมือนนิทานเลยครัอาจารย์แล้ทีนี้กเ็เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพี่เขาบอกอย่างเงี้ยพระอาจารย์เขาบอกอย่างเงี้ยเป็นบ้านพี่เป็นบ้านเก่าเป็นที่ดินเก่าของพี่พี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ พี Workers, ่ยัไม่อยากขายที่ดินฝืนนี้ให้เพราะว่าที่ดินของเขาเป็นอยู่ตรงกลางแล้วเขาก็ซื้อมาทำหมู่บ้านกันหมดแต่พี่ยัไม่อยากขายของพี่ของพี่เขาอยู่ตรงกลางก็เลยจำจำปีนต้องติดไปด้วยเขาบอกเนี้ยแต่ตอนนี้พี่ก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วอ้าหนูก็บอกว่าอยู่เหมือนเดิมแล้วอยู่ยังไงอ่ะหนูก็ถามเขาก็ก็นอนก็ทับกันอยู่ตรงนี้เขาบอกอย่างเงี้ยอ้าว แล้วยังไงอย่หนูก็ไม่เข้าใจหนูก็บอกแล้วในสถานที่ตรงนี้ยมีใครที่เหมือนหนูมั้งไหมแล้วผู้หญิงคนที่พาหนูไปอ่ะเขาหันดูดูเขาบอกไม่ไม่มีอ่ะค่ะเพราะว่าตายกันหมดแล้วก็บอกองนี้นะแล้วก็บอกว่าแล้วพี่แล้วเจ้ายังไงอย่างเนี้ยหนูงงเวลาเนี้ยเขาพี่คนเจ้าของบ้านเขา บ, บอกว่าพี่อ่ะไม่อยากให้ใครอยู่ที่บ้านหลังนี้นะเขาพูดอย่างเงี้ยนะหนูก็ฟังเอา้าแล้วเจ้าหนูทำยังไงหนูก็ ยังหาบ้านใหม่ไม่ได้นะเพราะหนูต้องทำงานด้วยหนูก็บอกเนี้ยหนูต้องขายของหรือว่าต้องพูดความเป็นจริงหมดเลยว่าสามีเป็นชาวต่างชาติมาจากที่นี่ที่นี่มาเช่าอยู่อย่างนี้นะหนูก็เล่าให้เขาฟังอ่ะเจ้าของบ้านนั่นแหละถ้าหนูหาบ้านได้อ่ะหนูก็จะออกหนูสัญญานะหนูจะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกเขาอย่างเงี้ยหนูสัญญาว่าหนูจะออกอะไรอย่างเงี้ยต้าก็พูดอย่งนั้นหนูก็หมายความว่าเขาไม่ไม่อยากให้หนูอยู่หนูก็เลยในในในตอนนั้นที่คุยกันนะะไปกันที่คุยอ่นนะหนูสัญญา แล้วก็ที่หนูหนูก็บอกว่าหนูจะอุทิศตนบนสวนกุศุลมาให้นะเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เฉยแต่เขาแต่งตัวสวยมากเลยนะหนูก็เห็นสามีเขาเหมือนมีงานงานหนึ่งงานพระอาจารย์เหมือนพาหนูไปท่องอะไรที่ทหนึ่งแหละแล้วก็เห็นสามีเขาก็แต่งตัวดีมากเอเสื้อไว้ในดีมากเลยนะพอเสร็จจากการพูดอันนั้นแล้วก็คุณที่พาหนูไปอะ่ะก็พาหนูเดินไปเรื่อยๆนะชุมสวนมันชุมสวนไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ไปพัก ไปพักบ้านหลังหนึ่งหนูวอะมันมีที่นั่งเหมือนไม้ซีกอะเขาทาเหมือนสมัยก่อนนะพระอาจารย์เป็นบ้านหลังหนึ่งยอกสูงมากเลยหนูก็เงยขึ้นมาเอ๊ะมันนั่งใต้ถุนใต้ถุนบ้านใช่ไ่มหนูนั่งคนที่หนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนที่พาไปอะนั่งคนที่สองแล้วก็มีเด็กเด็กสามคนนั่งอยู่แล้วก็หนูก็ถามเขาว่าเออน้องผู้ชายคนไหนอะ่ะที่ไปเข้าฝันพี่วันนั้นอะหนูก็มองหาใช่ไหมคะ ก็ไม่เห็นแล้วก็หนูก็หันไปดูเด็ก3มคนนั่นนะเขาก็นั่งหัวเราะกันคิกๆๆๆๆกันอยู่สามคนน่ะนะแต่เด็กคนแรกอ่ะมันมีดาวอยู่บนบ่าสามดวงอ่ะดาวดาวเหมือนผู้พันเหมือนนายร้อยอย่างเงี้ยหนูก็นึกในใจเอ๊ยยังเด็กอยู่ทําไมทําไมมีดาวบนบ่าแลยเนาะอยู่หนูก็คิดอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเลยอ่ะเหมือนหนูไปจริงๆอย่างนั้นเลยนั่นแหะแล้วก็เหมือน <hill. S 1> นั่งพักขาเหนื่อยแล้วก็เดิน ดดดเดี๋ยวเสรุปได้เม่อวาเดี๋ยวเดี๋ยอาจารย์ฟังหนูก่อนเดี๋ยวหนูยังมีเดี๋ยวยังยังมีอีกนิดนึงยังมีเสร็จอ ย, ย่าพึ่งสรุป <laughs> แล้วก็เดินไปอีกเดินก็ไปเจอบ้านอีกหลังหนึ่งมุงจากเหมือนกับขายของชําอะแล้วเจ้าของบ้านก็ม า, th au th au ายืนเท้าซาเอลอย่างเงี้ยเหมือนจะด่าหนูว่าแล้ว อ, อีกมือหนึ่งก็หลังคาบ้านมันมุงจากแล้วมันเตี้ยๆเขาก็คำอีกมือหนึ่งคำคำเหมือนอะไรของบ้านสักอย่างนี่แหละ แล้วคุณพิ่พานหนูไปบอกว่าอย่าด่าเขานะอย่าว่าเขานะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาเขาพูดอย่างเงี้ยนะคุณที่ผพานหนูเข้าไปอะ่ะแล้วคุณที่ <c oughs> เขาก็เดินหายก็ <c oughs> ไปในในบ้านสักพักหนึ่งหนูก็นั่งแล้วก็นั่งรอเขาเงี้ยแล้วก็มองไปอีกข้างหนึ่งหนูก็เห็นเห็นเหมือนแบบเป็นไม่ใช่โบสถนเป็นอะไรนะเป็นเป็นเจดีเก่าๆอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาที่โบสถ์เก่าๆอย่างเง้ยนะพระอาจารย์แล้วก็มีข้างหลังโบสถอ่ะ มันจะมีไฟขึ้นพลุพลุพลุแล้วก็หนูก็สงสัยนั่นเป็นวัดโบสดเก่าแน่เลยแล้วทีนี้ก็หันไปอีกฟังหนึ่งก็เห็นไกลๆจะเห็นไฟขึ้นพลุพลุพลุมาอีกอ้าวอนาไรกันนั่นเนี่ยแล้วแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเาก็เดินออกมาแต่ไม่ได้ออกมาทางประตูทางเข้านะออกมาทางทางด้านหลังหนูก็ถามเขาว่าพี่คะที่นี่ที่ไหนอะคะหว่าทางเขาบอกว่า เป็นบอลลโลกห น, หนูนะอา้าวแล้วหนูก็ไม่กลัวหนูก็ถามเขาว่าแล้วหนูจะกลับยังไงเขาบอกว่าอาถ้าพี่ไปส่งนะมันก็เป็นวันเป็นคืนเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ชี้ปื๊บหนูก็จิตหนูว่าปื๊บขึ้นมาเลยนะเหมือนแบบว่าเหมือนกระแทกอะไรมาสักอย่างแต่ว่าแต่ว่าแต่ไม่ใช่แผน่นไม่ใช่พื้นดินนะเหมือนอากาศแน่นๆอนะแล้วก็ลงมาตอกที่ตัวหนูเหมือนลูกมะพร้าวตกลงมาตุ๊กอย่างเงี้ย หนูก็รีบฟ้าเลยกอร์ลโลกคืออะไรกอร์ลาโลกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูตกใจอะ่ะแต่ว่าไม่กลัวนะไม่กลัวแต่รีบอ่านอ่านอ่านอ้มีจริงกร์ลโลกอ๋อนี่นี น, น, นูก็อ่านเลยนะของใครที่เขียนพระธาตุพิขูของใครต่อใครนะอ่านอ่านอ่านพอพอรู้เรื่องหนูก็แผลเมตตาเลยสามจบเปิดพระอาจารย์หมายความว่ายัางไงนี่แต่ยังยังขาดตอนอีกนิดนึงก่อนที่จะมาถึงอ่ะ Mm hmm. มันมีหนูเจอโรงเรียนด้วยแล้วก็มีเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่แต่ไม่ใช่นักเรียนนะต้องกราบเขาเดินถือไม้พลองมาประมาณสิบค น, น่ะเหมือนเด็กๆอย่างเงี้ยแล้วพี่คุณที่พาหนอูไปเขาบอกว่ากราบหนูว่ากราบกันเหมือนกราบพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็กราบเราด้วยนะแล้วทีนี้หนูถามเขาว่าเป็นใครเขาบอกว่าคนที่ดูแลที่เนี่ค่ะว่าเขาว่าเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออเดินไปอีกเทก่อนจะถึงบ้านหลังเนี้ยน่ะ เขาบอกเขาเห็นพ่อเขาก็บอกว่านั่นพ่อเขาไหวส้สิแล้วหนูก็มองเห็นเอ่ะผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อเขาแล้วทําไมเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแต่ผู้พองแล้วเดินเดินแบบว่าเหมือนขาดสั้นข้างยาวข้างอะ่ะเดินเพล็กเกพอย่างเงี้ยหนูก็ไหว้นะแต่หนูนึกในใจหนูไม่ได้พูดหรอกนั่นแหละแล้วก็หนูหนูถามข้อตอนที่ว่าเนี่ยที่นี่ที่ไหนอะ่ะพอเขาบอกว่าพอะโลกหนูก็เลยแล้วหนูกลับยังไงอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกเอาละพอแล้วตกลงเหมือนนิทานเลยแต่ไม่รู้จะถามอะไรก็ไม่รู้ว่าหนูจะถามว่าแล้วไอ้เจ้าของบ้านที่หนูอยู่เนี่ยโอ้ยอย่าไปสนใจมันเป็นเรื่องเพ้อฝันมันฝันไปมันก็ปรุงแต่งไปคิดไปเรื่อยเปลือยของมันออืไม่เป็นจริงครับอาจารย์มันจริงไจริงหนูหนูไปตามรู้ได้ที่ไหนหรอมันเป็นอยู่ในฝัน ความฝันกับความจริงเราต้องรู้จักแยกแยะสิเรื่องฝันก็ฝันไปเลยฝั น, ม, น, ม, นมันหมดแล้วก็หมดไปตอนนี้กลับมาอยู่เ อ, อ้วเดี๋ยวว่าเขาก็มาอีกแต่หนูสัญญากับเาไว้แล้วว่าหนูจะออกม า, าก็มาสิ ม, มาแล้วนี่หนูนั่งคุยกับกับผีอยู่อย่างนี้ยหนูก็กลัวตายอาจารย์ฟั่นเฟือนไปเลยอะ่ะ ก็ทําไงได้เราเรามันชอบฝันเนี่ยไมเอาหนูไม่ชอบหนูภาวนาทุกครั้งที่อยากใหนูเจออะไรเนี่ยก็ต้องฝึกสติให้มากๆเวลานอนดับจิตจะได้สงบไม่ฝันแน่แล้วนี่หนูหนูก็ฝึกหนูก็วันนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรเลยพระอาจารย์หนูไม่ได้คิดเลยหนูคิดแต่พระเจ้าอยู่อะอย่างเดียวเลยหนูนอนคิดว่าเออ่นหละมันหนูไม่ได้คิดถึง ใครอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเลยธรรมะก็ยังไม่ฟังเลยอะเวลาฟะเวลาหลับมันไม่มีสติมันก็มันก็คิดได้มันอยากจะคิดอะไรมันก็คิดของมันไปมันเป็นความคิดของเราเท่านั้นเองไม่ใช่เราไม่ได้คิดอาจารย์เนี่ยหนูว่าไงบอกว่ามันเป็นความคิดคุณหมอไม่ได้เป็นความคิดแล้วคุยวันตายก็ไม่รู้เรื่อง แลหนูคิดแล้วก่อนหน้านั้นก็หนูคิดแต่เรื่องไปเที่ยวเอาพระอาจารย์ฟังก่อนนะว่าหนูคิดแล้วหนูคิดแต่เรื่องไปเที่ยวกับยายเรื่องไปเที่ยวเกาะกีฬไม่ไปรำคาญนี่ก็เป็นความคิดที่ว่าความความฝันของเรานี่มันเป็นความคิดของเราทั้งนั้นมันไม่ได้มาจากที่ไหนหรอกแล้วหนูลืมไปตั้งนานแล้วหนูเป็นคนแต่งนิยายขึ้นมาอ่านเองแล้วก็แล้วก็หลงไปกับนิยายที่หนูแต่งขึ้นมาเองเท่านั้นแหละ ไม่แต่งด้ยายแล้วหนูยังไม่เคยได้ยินคําว่าปราโลกแล้วหนูแต่งได้ยังไงก็รสชาติก่อนมันมีมันเคยได้ยินมาก่อนมันไม่ใช่ชาตินี้อย่างเดียวไม่ได้เพิ่งมาเกิดชาตินี้ชาติเดียวไม่ไหนหนูเกิดมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติแล้วเรียนรู้ภาษาอะไรเป็นหลายหลายล้านหล า, หลายภาษาอยู่แล้วมีความรู้อะไรเยอะเยะเยอะแยะไปหมดแต่เป็นความรู้ที่มันไม่เป็นประโยชน์เป็นความรู้ของกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้เป็นความรู้ที่ทําให้เราหลุดพน้น ทําไมไม่ฝันถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันไม่มีมันมีแต่เรื่องไร้สาระอยู่ในใจฝังอยู่ในใจเราเวลานอนหลับมันก็โผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองก็อย่าไปสนใจมันก็หมดเรื่องมันถือว่ามันเป็นความฝันฝันว่าเป็นพระราชนีติ้งขึ้นมายังเป็นอยู่หรือเปล่าไม่เคยฝันอย่างนั้นแหละถ้าเกิดว่าฝันถ้าเกิดว่าฝันว่าเป็นก็อยากจะทํำยังไงไปไปเรียก ไปเรียกเอาจากที่ไหนนะปลาอย่างนั้นก็ยังดีกว่าฝันไปเจอคุณตายอะไรน่นนี่ น, นัน่นก็ อ, อะไรนี่หนูเงือแตกพลักหรือฟันเฟือนเมื่อคืนก็ไม่หลับเลยเพระตอนนี้หนูได้มาได้รับความรู้แล้วว่ า, ามันเป็นความฝันไม่ต้องไปกลัวมัน เ, เป็นวิปากกรรมของเราที่ที่ชอบปล่อยให้ใจเราคิดไปอพอเวลาหลับไม่มีตัวควบคุมคือสติมันก็เลยคิดเลื่อยเปืดออกมาอยากจะคิดอะไรมึงก็คิดไป เขาเรเพ้อฝันไงเข้าใจไหมเขาว่าเพ้อฝันวิธีที่จะอปฏิบัติกับมันก็คือให้สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็จบเหมือนดูหนังอะเป็นกรรมของเราที่ต้องไปดูหนังที่เราไม่ชอบกับเรากันถ้าถ้าอยากจะอยากจะปิดมันก็ฝึกสติให้เยอะๆต่อไปถ้ามีสติเวลามันฝันขึ้นมาก็หยุดมันได้ เปิดสตินั่งสมาธิบ่อยๆทําใจให้สงบแล้วมันจะไม่ฝันมันแต่มันไม่ใช่เหมือนความฝันเลยนะอะไรวะพูดอะไรเนีก็มันเป็นความฝันแล้วยังไม่เหมือนความฝันได้ยังไงมันเหมือนจริงๆทุกอย่างแล้วความฝันมันจะรเบล่ๆจำไม่ได้บ้างจำแล้วมันจริงตรงไหนล่ะมันจริงตรงไหนตอนนี้มันหายไปไหนหมดแล้วล่ะถ้ามันจริงมันก็ต้องอยู่ตรงนี้สิไม่รู บ้านหลังนั้นทับบ้านเขาอยู่อ่ะจบ <Huh, S 2> แล้วให้พิจารณาว่าเป็นอ น, นิจนนนจังอ่ามัน<อ>เกิดแล้วก็ดับไปแล้วเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดมันเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะดับเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปยุ่งกับมันไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเอถ้าเราอยากจะทุกข์กับมันก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปก็เท่านั้นเอง เอานะได้เมันทําได้แบบนั้นก็ดีนะก็อาอาถามถามต่อค่ะค่ะนี่หนูไม่ทราบว่าเป็นมหาธรรหรือเปล่าอะคะคือทําธุรกิจอยู่ค่ะแล้วทีนี้โดนเขาแกล้งเงี้ยอ้าแกล้งก็แกล้งสิไปเจอคนไม่ดีก็โดนเขาแกล้งไลคือเขาแกล้งสายดําอะค่ะสายอะไรก็ช่างหัวมัน่ะถือว่าเป็นเป็นวิบากของเราก็แล้วกัน คออาจจะมีเวรมีกรรมกันมาในชาติก่อนในอดีตหรือในชาตินี้ก็ได้ จ, จะไปทำธุรกิจขัดขดขัดผลประโยชน์กันคือเขาเป็นเพื่อนรักเราแหละ <laughs> เ, เร่เรามีอะไรแล้วเราเล่าให้ฟังทุกอย่างก็อาจจะเป็นความโลภของเขาแล้วเขาก็บอกว่า <laughs> พี่คบใครอ่ะใหม่ๆก็ดีพอต่อต่อไปเขาจะอิจฉาพี่ทุกคนแล้วทีเนี้ยไปทำประมุขย้ายสาขาไปต่างจังหวัดนะคะ ติดต่อลูกน้องทําอะไรเรียบร้อยหมดละอีกอีกแค่สิกว่าวันจะไปประชุมเปิดลูกน้องปฏิเสธแล้วรประธามไม่ชี้ไม่ชี้บอกว่าเพื่อนทําเราใครจะทำก็ช่างมันอะให้รู้ความจริงมาเมื่อมันมันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็จบไม่ต้องไปทุกข์กับมันมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันก็เท่านั้นเองมันได้แล้วไงที่นี่คนที่ไปบริหารอะ แล้วทําไมคือเขารับปากเราละพออีกสองวันเราบ่กเฮ้ยจะไปประชุมแนะนําลูกน้องเราเข้าปฏิเสธปฏิเสธก็ปฏิเสธไปแต่คนทีเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาบอกว่ารู้แล้วว่าเขาต้องปฏิเสธอปฏิเสธก็ปฏิเสธไปก็ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทำไม่ทันก็ปิดมันไปเลยว้าจาลูกน้องทั้งเยอะเราจะทํายังไงได้มาไปทุกกับมันแล้วไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เปล่าก็หาคนใหม่เลยอ ไม่ทันก็จะทําไงอะไม่ทันก็ไม่ทันสิมีมีคนแนะนำบอกพระอาจารย์ช่วยได <c oughs> ้ก็เนี่ยเช่วยแล้วไงช่วยให้สบายใจไง <c oughs> ไม่ได้ไปช่วยให้มันทันก็าอย่างนั้อช่วยให้สบายใจ <c oughs> แค่ช่างหัวมันนั้นเองก็มันก็จบแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีนะเ <c oughs> ลยออีกอันนึ่งนะคะรูเคยไปไหว้หลวงพ่อจรัญอ่ะ น, นะคะ แล้วทีนี้หลวงพ่จันลันเขจะลงมาเอครั้งหนึ่งอ่ะไม่กี่ครึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมคะแล้วคนที่เขาหอบของที่จะไปถวายสังฆทานอ่ะเยอะมากเข้าคิวกันเยอะมากแล้วทีนี้ยพอไปวางที่ต้องมีที่วางให้อ่ะแล้วทีนที้พอวางปุ๊บเขาก็ปัดๆๆอย่างเร็วหนูก็หอบเยอะอ่ะหลายอย่างแล้วอุ้ยเราจะวางยังไงทันไหมอะไรไงเงี้ยเพราะเราถือเยอะพอไปถึงอ่ะ เขเคให้หนูหมดเลยแล้วก็ให้วางคนเดียวอ่ะไม่ปัดแล้วหลวงพ่อเจรันลืมตามองดูก็ตกใจว่าท่านหลับอยู่ลืมตามองเราคนเดียว ด, ดูวุ่นวายเลยออกมาเลยแล้วหนูไม่ทราบว่าวเขามองทำ <c oughs> ไมอ่าวันนี้มาถามเราได้ไงทำไมไม่ถาม เ, าเ้าล่ะทาไมมองหนูทําไมแล้วนี้บางทีหนังสือส่วนมน่ะ น, นะคะเขาเขาเขาแจกหนังสือสมุนของหลวงพ่อเจรันเวลา ที่ไปหยิบของท่านอ่ะยกมือหยิบแล้วตัวมันจะชามันคืออะไรก็ชาสิเป็นยังไงตัวชาก็ชาเลยก็คือตัวชาสิจะไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นทําไมก็รู้ตามความเป็นจริงเท่าน uh uh uh ั้นเองไม่ต้องไปคิดให้มันลึกให้มันปวดหัวไปเปล่าๆเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไปก็จบแล้วช้าเยอะเลยช้าก็ช้าไปสิเข้าใจไหมรู้แล้วก็ปล่อยวางเห็นอะไรแล้วก็ปล่อยวาง เ, เห็นว่ามันชาก็ช า, ชาไปไม่ต้องมาสนใจว่ามนนันเป็นเพราะอะไรมันจะชามันก็ชาแหละมันไม่ชาก็ไม่ชาก็รู้แค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมอ้าวไปทางนี้มีมีมีมมมมเจ้าหน้าที่เขาจะพิธีกรท่านจะถามปัญหามีใครอยากจะถามเข้ามา เอคือผมอยากจะถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะครับพ ร, พระอาจารย์คือผมติดอยู่ตรงนี้มาประมาณสักห้าปีได้ละก็คือเวลาผมทําสมาธิก็ทําไปไ ด, ได้ถึงประมาณประมาณจนรู้สึกว่าไม่หายใจนะฮะอาจารย์จนจนรู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าคือลมหายใจมันมันมันมันแผ่เเวเบาจนรู้สึกเหมือนเราว่าไม่หายใจอะครับแต่จริงๆแล้วก็ก็รู้ว่ายังหายใจอยู่ครับแต่ความรู้สึก คล้ายๆแบบรู้สึกว่าร่างกายมันมันเบารู้สึกสบายแล้วรู้สึกเหมือนไม่หายใจแล้วก็มันจะสงบตอนแรกๆก็ภาวนาพุโทโธอยู่นะฮะแล้วก็พอมันสงบมากๆเคยเคยมีอยู่ไม่กี่ครั้งครับพอสงบมากๆก็คือจะรู้สึกว่าพุโทโธก็หายไปแล้วก็คําภาวนานะฮะคือเราไม่ได้ภาวนาเราจะไปติดอยู่ตรงที่มันสงบคือใจก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ ก็คือมันมันจะไปติดอยู่อยู่ตรงนั้นนะฮะว่ามันมันจะสงบอยู่แค่ตรงนั้นแล้วทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะไปขั้นตอนต่อไปสมาธิมันก็จบตรงนั้นแหละมันนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ให้มันคิดอะไรพอมันจบก็นั่งอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถอนออกมาเองถ้าอยากจะไปไกลกว่านี้พอออกจากสมาธิมาก็ต้องอเจริญปัญญาก็คือต้องพิจารณาสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ว่าไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราอซักวันหนึ่งจะต้องมีการจากเราไปเราต้องปล่อยวางเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวงเพราะว่าถ้าเวลาเรายึดติดแล้วหวงเวลาเขาจะจากเราไปเราจะทุกข์มากถ้าเราไม่ยึดไม่ติดถ้าเรารู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปเขาไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้คือขั้นต่อไปหลังจากกสมาธิมาแล้วต้อง มอสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราไม่อยู่โดยเฉพาะสิ่งที่เราลักเราหวงว่าจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครห้ามได้ถ้าไม่อยากให้เขาไปจะทุกข์มากถ้าให้เขาไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่ให้ฝึกไปสอนใจไปตอนนี้ลกักไขรหวงไขรนี่ต้องพิจารณาไว้เลย ว, ว่าต่อไปจะต้องเสียต้องจากกันอันนี้เรียกว่าขั้นปัญญา สลับกับการทำสมาธิได้พิจารณาไปแล้วจิตเริ่มวุ่นวายจิตไม่สงบก็กลับไปทำสมาธิก่อนพอจิตสงบแล้วก็ออกมาคิดใหม่คิดแต่เฉพาะเวลาจิตสงบพอจิตไม่สงบก็หยุดคิดเพราะว่าถ้ามันไม่สงบคิดแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้ามันสงบมันจะไม่ทุกข์มันจะเห็นความจริงมันจะเชื่อมันจะฟัง แต่พอความสงบมันหมดไปมันจะไม่ยอมเชื่อแล้วมันจะต่อต้านแล้วมันจะอยากไม่ให้เป็นอย่างที่จะเป็นละถ้าตอนนั้นก็หยุดทาหยุดคิดทางปัญญาแล้วว่ากลับมาทำใจให้สงบใหม่ทำสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆการพิจารณานี้มีป้าหมาอยู่คือไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจและเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะได้ ไม่เสียหลักจะไม่เสียใจจะไม่เศร้าโศกจะสักแต่ว่ารู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาออมันจะเห็นชัดแล้วมันจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียกับการพัดพลากจากสิ่งที่เราลักไปนี่คือขั้นต่อไปที่เราจะต้องทำสมาธิมันเพียงแต่ทาให้ใจเราสงบใจเราเย็นใจสบายพร้อมที่จะนาเอาไป จเจริญปัญญาได้ถ้าไม่ไปเจริญปัญญาปัญญาจะไม่เกิดขึ้นมาเองคนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าถ้ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเองมันไม่เกิดสมาธิเป็นเพียงแต่เตรียมพื้นที่ไว้ให้เกิดปัญญาเท่านั้นเตรียมใจให้รับปัญญาได้รับความจริงได้ใจที่สงบนี้จะรับความตายได้รับความแก่ได้รับการสูญเสียได้แต่ถ้าไม่สงบนี้มันจะไม่ยอม พอไปพูดถึงความตายนี้มันเศร้าขึ้นมาทันทีหดหูขึ้นมาทันทีแต่ถ้าใจมีสมาธิมีความสงบนี้มันจะไม่เศร้ามันจะไม่หดหูมันจะว่าเออจริงเนาะจริงหนออมันจะคิดอย่างนั้นไปแต่พอมันหมดกําลังมันก็จะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจก็หยุดพิจารณาแล้วก็กลับมาทําใจให้สงบใหม่ แล้วออกจากความสงบก็คิดใหม่คิดจะกระทั่งมันฝังอยู่ในใจว่าต้องเสียต้องเสียต้องจากการต้องตายอะไรจน ก, กระทั่งมันรู้สึกเฉยๆกับความจริงเ น, นี้มันก็จะปล่อยวางได้พอเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องสูญเสียต้องพัดพาจากการก็รู้สึกเฉยๆไม่ร้องหมร้องไห้ไม่วุ่นวายใจอันนี้คือขั้นของปัญญาต้องทําต่อจากหลังจากออกจากสมาธิมา ครับแล้วอย่างเราไปอยู่ตรงตร ง, ตรงที่ว่ารู้สึกว่าสงบมากในในในจุดจุดนึงฮะอาจารย์ก็คือในในการทำทาจิตให้สงบก็คือไ ม, ไ, มไม่มีขั้นต่อไปแล้วใช่ไหมฮะอ่าจบแล้วก็ให้มันอยู่ในนั้นนานที่สุดถ้าที่มันจะอยู่อย่าไปดึงมันออกมาเวลาจิตสงบแล้วก็ปล่อยมันถ้ามันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นไปจนกว่ามันจะถอนออกมา พอมันเริ่มถอนออกมาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เามาคิดถึงเรื่องเรื่องทางปัญญาคิดว่าของต่างๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไม่อยู่กับเราไปตลอดสอกวันหนึ่งจะต้องมีการจากกันของต่างๆที่มีอยู่นี้จะไม่เป็นเหมือนเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับแล้วผมจะเป็นบางทีทำงานมาก็จะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมะหรือบางครั้งก็จะรู้สึกขี้เกียจ ก็เวลาก่อนก่อนจะทำบางครั้งก็คือนอนนะฮะอาจารย์คือนอนนอนแล้วจะทำทาจิตก็คือระหว่างนอนกับเรานั่งสมาธินี่แตกต่างกันนะฮ ะ, ะเวลานอนมันก็ไม่ได้ปฏิบัติเวลาเรานั่งสมาธิก็ได้สมาธิเวลานอนก็ได้เพียงแต่หลับพักผ่อนทางร่างกายก็คือนอนนอ น, นอนนอนแต่เพียแต่ว่าจิตคือคือเราภาวนาฮะคือคือภาวนานนนยังไงมันก็ยังนอนอยู่นั่นแหละ ภาวนาพุโทโธเดี๋ยวพอบดสติมันก็หลับไปทำไมไม่ได้เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิมันสงบแต่จิตสติมันจะไม่หายไปมันจะสะมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากปฏิบัติก็ต้องออกจากงานเราออกจากงานไปถ้าอยากออกจากงานก็ต้องอย่าใช้เงินถ้าไม่ใช้เงินก็ต้องไปบวชหรือไปอยู่วัดไปขอข้าววัดกินไปทา ง, งานที่วัดแทนไป แรกเปลี่ยนกับค่าอาหารค่าที่พักจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่แล้วอย่างการเข้าสมาธิครับพระอาจารย์บางครั้งเราสามารถเข้าเข้าไปไ ด, ไ, ดได้ถึงจุดนั้นภายในระยะเวลาเมาื่อก่อน ก, นกน็บางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ไม่เกินหนาทีบางครั้งกสิบนาทีบางครั้งเป็นครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะใช่อยู่สติของเรามันยังไม่เสถียรมันยังไม่แน่นอนบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็เผลอบ่อยบางวันก็ไม่เผลอ ถ้าวันนอนไม่เผลอเดี๋ยวเดียวห้านาทีสิบนาทีก็เข้าไปได้เวลาที่มันเผลอมันมีเรื่องอื่นมารบกวนใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่สงบก็มีไปเรื่องธรรมดาต อ, ตอนนี้สติเรายังไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่อเนื่องไม่แข็งแรงยังนุ่มลุกคุกคานอยู่แต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปมันจะต่อเนื่องมันจะแข็งแรงนั่งปุ๊บมันก็เข้าปั๊บเลยะ ตบกไปได้เรื่อยทําไปได้เรื่อยเร่าใจแล้วครับเร่เาใจแล้วเร่าใจแล้วดีอทีนี้มีพิธีอาถามต่ อ, เ, อเดี๋ยวเลา่านิทานให้ฟังนะ <c oughs> ขอเรียนถามพระอาจารย์ครับช่วงระหว่างอาที่กําลังกําลังนอนนะครับแล้วก็บริกรรมไม่ว่าจะเป็นพุโทโธหรือเป็นพวก ไตสรรารตคมแล้วก็หรือเป็นพระคาถาต่างๆของครูบาอาจารย์ที่ให้มานะครับจนหลับไปเนี่ยแล้วจิตเนี่ยเอไม่นึกถึงอะไรเลยเนี่ยถือว่าเป็นการบริกรรมที่ถูกทางหรือเปล่าครับเป็นการบริกรรมเพื่อนอนหลับไม่ได้เป็นบริกรรมเพื่อให้จิตสงบไม่เหมือนกันถ้าอยากจะให้จิตสงบต้องนั่งหลับตาอย่านอนแล้วถ้ามันสงบมันมันหยุดมันก็จะสงบมันก็จะเป็นสมาธิ แต่มันจะมีสัมปะชัญญะมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้านอนมันก็จะหลับหลับมันก็เพียงแต่ช่วยทำให้คนที่นอนไม่หลับนี้ก็เป็นเหมือนยานอนหลับได้เท่านั้นเองเป็นเหมือนยานอนหลับช่วยให้นอนหลับง่ายเวลานอนไม่หลับก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หลับก็สามารถยึดได้ทุกทุกทางใช่ไหมถ้าจ ะ, จะนอนชาใช้นอนก็เป็นเหมือนใช้ยานอนหลับ ดีกว่าไปซื้ อ, อยามากินอกินยาแล้วมันก็มีโทษตามมาถ้านอนไม่หลับก็พุโทโธพุโทโธไปภาวนาไปเดี๋ยวมันก็หลับครับขอบคุณพระอาจารย์ครับเวลาเนะี่ยกมาพีแล้วนะคะเวลาแผ่สนมุงถุงสนตอนสุดท้ายอะคะ่ะแล้วตัวมันเหมือนจะแบบเหมือนเหมือนไฟฟ้ามันชอ็อตแล้วแล้วบางครั้งคนละตอนกันบางครั้งก็ เราแพ่ส่วนบุญส่วนกุศลน่ะนะคะแล้วเหงื่อมันจะไหลแรงมากแล้วเหมือนเหมือนมันชาชาออกไปอย่างเงี้ยมันเคืออะมันก็คือจิตของเราแสดงอาการให้เราเห็นเท่านั้นเองไหลแบบอน้ำแล้จ้งถ้ามันจะเป็นยังไงก็ก็เป็นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนร่างกายของเราเวลาไปวิ่งไปอะไรเหงื่อมันก็ออกมาแล้วเวลาถามเพื่อนเพื่อนเฮ้ยอยาไปแผ่ไม่เกี่ยวกันค์เลยแผ่ก็แพ่เลยเมื่อซื้อก็บอกให้แพ่บุญส่วนบุกุศลนานั่งสมาธิแล้วเออ แล้วเวลาสวดมนต์นะฮะเราตรวจน้ําอ่ะแล้วเราเอาน้ําไปเทที่ที่ดินที่สวนแล้วไอ้กล้วยพัดอ่ะต้นใหญ่มากลมไม่มีเลยมันพัดแรงมากทุกๆุกเที่ยวที่เป็นเอาน้ําเทลงดินนี้เคียงก็มันก็คืออย่างงั้นแหละยังเคยไี่เป็นธรรมกับมันอ่ะมันเป็นงั้นก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างงั้นก็แล้วกันมันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมันไม่ได้ทําให้กิเลสตายดีไม่ดีกับทําให้กิเลสเกิดขึ้นมากสงสัยนี่ก็เป็นกิเลสแล้ว อย่าไปสงสัยให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันทำให้เรารวยขึ้นหรือจนลงก็แบบไม่ก็สสไม่ต้องไปสนใจมนะันงงนะอีกครั้งตกนกงวันด้วยแล้วหนูก็แผลบางทีแผลบางทีเห็นสัตว์หนูก็แผอขอให้ท่านด้วยรล้วส้เดือนปกติมันจะเดิอนอยู่ข้างบนเียนใช่ไหมค ะ, ะมันวิ่งมาหาตรงที่หนูรดน้าอ่ะพมันอยากได้น้ำสิ ไอเดือนมันกอยากจะได้น้ําหมือเลยหนูก็เลยรอดหัวอัวเอาถ้าอยกได้ให้เพื่อนก็รู้ไปตามความเป็นจริงเท่นั้นมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้ทําให้เราบรรลุเป็นโสดาหรือเป็นไม่ใช่ค่ะจะสร้าเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละจะไปรู้จะไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ยังไงนะสิ่งที่บรจ้าให้รู้แค่รู้แค่รู้กิเลสแล้ตอนนี้มีกิเลสหรือเปล่า ท่านั้นแหละถ้ามีก็ดับมันให้ได้แล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปญญ เ, เรื่องของมันไงาถามต่อคําถามจากทางบ้านจากคุณสายันผมอยากบวชแต่ผมมีห่วงผมจะทํายังไงดีครับหลวงพ่อก็ตัดห่วงเลยคําถามจากคุณปรารถนา ได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แสดงทำไว้จะทราบว่าจิตเรามีสติและสงบจริงไม่ทุกข์เมื่อมีอะไรมากระทบสามารถปล่อยวางได้เวลาฟังธรรมก็ปฏิบัติได้แต่พอมาเข้าสนามสอบภาพปฏิบัติเจอความจริงไม่ทราบว่าสติความสงบการปล่อยวางไม่ทราบไปอยู่ไหนความโกรธจิตกระเพื่อมเมื่อมีสิ่งร้ามากระทบสติหายหมดเลยค่ะ สติมีวิธีแก้อย่างไรให้อยู่เหมือนขณนะฟังธรรมพระอาจารย์มีความสุขไม่มีเรื่องขุ่นใจคะก็ต้องเข้าสนามสอบบ่อยๆคําำถามจากผู้ฝากถามน้องที่ผมรู้จักเขาบวชได้หนึ่งพรรษาและสึกออกมาแล้วแต่เขาไม่เขามารู้ทีหลังว่าพระอุปชาของเขาไม่ได้เป็นพระแล้วเพราะกินเหล้านอนกับผู้หญิง และเขามารู้ทีหลังเพราะผู้หญิงทะเลาะกับพระและเอาลูกที่นอนด้วยกันออกมาแฉเขาอยากรู้ว่าเขาบวชไปเขาบวชไปเป็นการบวชที่สมบูรณ์หรือเปล่าเพราะพระนอนกับผู้หญิงก่อนที่จะบวชให้เขาครับเ อ, อไม่เกี่ยวกับเราหราเราจะเป็นพระไม่เป็นพระอยู่ที่เรารักษาศีลของพระได้หรือเปล่าถ้าเรารักษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดก็ได้เราก็ยังเป็นพระอยู่หมดแล้วนะ ต่อให้คนที่เขบวดเราเป็นพระอ า, าราันแต่เราไม่รักษาศีลสองร้อยสิบเจ็ดข้อเราก็ไม่ได้เป็นพระอยู่ดีมันไม่ได้อยู่ที่คนบวชอยู่ที่คนคนไม่ได้อยู่ที่คนบวชให้เราอยู่ที่ตัวเราว่าเรารักษาความเป็นพระได้หรือเปล่าความเป็นพระก็คือการมีศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อถ้ามีไม่ครบก็ถือว่าเป็นพระไม่เต็มร้อยเข้าใจไหมก็เท่านั้นเองมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเอาเลยบ <c oughs> างคนเขาบอกว่าเวลานั่งสมาธิต้องมีครูบาอาจารย์แต่ทีเนี้ยมึงดีหนูอ่านในหนังสือยังยังไม่เคยไปไปเป็นที่แบบมีครูบาอาจารย์ที่แนะนําเอโดยถูกต้องนะคะแล้วบางคนบอกเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวจิตมันก็จะเวลาไปเรากลับไม่ได้ เวลานั่งไม่ต้องมีคนมานั่งด้วยออเขาใจะไม่ต้องต้องอลาธนาอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเวลานั่งก็มีสติอย่างเดียวก็พอพูดโทไปเลยใช อ, อ, อ, อ่แล้วถ้ามีสงสัยอะไรก็ค่อยไปถามอาจารย์ทีหลังแล้วทีนี้บอกเวลานั่งแล้วอ่ะเวลาเราเฮ้ยนั่งนานแล้วจะออกอ่ะมันไม่ยอมจะออก <c oughs> อ่ะก็อย่าออกก็นั่งเพื่อไม่ให้มันออกแล้วจะไปออกอยากจะไปออกทําไมมันไม่อยากจะออกก็ให้มันออมันไม่อยากจะออกให้มันอยู่ไปดิก็นั่งเพื่อไม่ให้มันออก ถ้าไมนอยากถ้าอยากจะออกก็อย่าไปนั่งไม่ใช่เพราะมันดึกแล้วบางที<ะ>ก็จะออกจาก<ส>จะออกจากจากนั่งสมาธิก็นั่นสิก็ต้องดูดูเวลาว่าเราจะนั่งเราจะออกเมื่อไหร่ถ้าเราจะออกก็อย่าไปนั่งมันถ้ามันดึกก็ไปนอนซะ <laughs> ถ้าอย่างนันนั่งให้เสียเวลาเบาๆเข็นโคกขึ้นภูเขาเพอถึงยอดเขาก็ถีบมันลงมาอย่างเงี้ย <laughs> เข็นมันไปทําไม <laughs> เข็นไปเพื่อให้มันอยู่บนเขา พราะมันเขามันสบายมันเห็นอะไรเห็นวิวเต็มไปหมดไม่ใช่เดินขึ้นเขาถ้าเป็นแทบตายพอถึงยอดเขาก็กรโดดลงมาเลยงั้นขึ้นไปทําไมให้เสียเวลาเปล่าๆก็อย่าไปขึ้นมันอ่ า, อาก็ถ้าอยากะถ้า อ, อยากจะอ่าก็อย่าไปนั่งมันตอนนั้นสิไปนั่งตอนทุ่มนะไม่นั่งหรอมัไปเลือกเวลานั่งอยแบบนี้แล้วมันก็มีอไม่รู้จะเอาไงนะ นั่งดีเพราะได้ดีกับแม่เอาสิกับอยากจะออกมานอนสิชอบดูทีวีอ่ะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวทางโลกก็จะเอาการก็เลยได้ได้แบบครึ่งขึ้นกลางกลางถ้าเป็นน้าร้อนน้ำร้อนก็แม่ร้อนน้าเย็นก็แม่เย็นปนกันมันก็อย่างนี้แหละกระจายยังดูทามีนิดนึงเรือเพื่อน่ะ เขามีหูทิสตาทิมอะนะคะแล้วเวลาที่เราเรานึกอะไรเงี้ยเขาจะรู้หมดเลยอะก็เรื่องของเขาไงเขารู้ก็เรื่องของเขาแล้วบางทีบางทีเขามาโหร้ายแล้วตอนี้บางคนบอกเฮ้ยอย่าอย่าไปโกรธเข้าหรอกแต่พอเราโกรธ้นมาแล้วเขาเขาาว่าทําเราได้แล้วตอนี้จริงๆริงเขาทําจริงๆ เขาทำเราแเราก็ไปกบเขาทำไมนะแล้วทีนี้จะออกมาก็กลัวเพราะเดี๋ยวรู้ว่าเรารู้ว่าเขาทาเรากลัวเขาจิงทําน่ะอ่าเราจะทำยังไงก็ก็อยากให้พระอาจารย์อาจารย์อธิบายนี้เชื่อว่าจะช่วยตอได้ราะว่าอ๋อถ้าไม่อยู่ใกล้เขาเขาก็ไม่รู้แล้วแหละเออขนาดหนูนั่งในรถนะแฟนหนูจิ้ยังไงเคยคุยกับหนูแล้วเขายังรู้เลยมันก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาได้ไงถ้าเขารู้ แล้วบางทีอ่ะนูบางคนเขาบอกเฮ้อย่าไปเชื่อแต่หนูอยู่กับเขาหนูจะรู้ไงบางทีตัวหนังสือขึ้นที่แขนเนื้ออะไรเงี้ยบางทีนั่งกินอาหารอยู่เงี้ยขึ้นราคาอาหารอะ่ะไพี่ดูสิเราก็เห็นเนาะแล้วสักพักหนึ่งเขามาเก็บทั้งเลขที่มันขึ้นที่นิ้วอะ่ะอก็รู้ก็รู้ไปมันเห็นมีเว็นไม่เห ม, เหนมเห็นดีอะไรหน่าตื่เต้นแล้วพี่เขาบอกว่าไอ้เนี้ยเขาสะสมมาหลายพวหลายชัย แล้วเราบางครั้งบางครั้งเขาพี่เห็นอะไรไหมเขาไปบอกว่าเห็นอะไรนะหนูมองเห็นถามเขาว่ารักความโลภได้ป่าความรู้หร<ด>ือถก็ ไ, ไม่ได้ก็ถือว่าความรู้อันนั้นไม่มีความไม่มีไม่มีประโยชน์รู้ไปก็กเท่านั้นเป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดใกล้คิดแค่นั้นก็นแล้วกันอขาใจไหมไม่ต้องไปตื่นเต้น ถ้ารู้แล้วทําให้กิเลสโหดหายตายเนี่ยแต่ว่าข้าม<ท> ร, รู้แค่น<ะ>ั้นดีตาก็จะแกล้งเขาแกล้งไปนานแล้วละ่ะอ้า น, นั้นไม่ต้องไปกังวนลอ่ะตาถึงเวลาจะถูกเขาแกล้งก็ต้องแ ก, ง ล, แนนกงล้ง อ, อ่ ะ, อะก็ปล่อยเขาแกล้งไปอก็ห้ามเขาได้หรือเปล่าแล้วไปฆ่าเขาแล้วมันจะถูกหรือเปล่าเออ ก็กลับไม่ได้เขาไม่ให้กลับ interfere. เขาจะแกล้งก็ปล่อยว่าแกล้งไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็อยู่เองเอาแล้วน ะ, ะขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปไปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิง่งยิ่งขึ้นไปเทอ